วันนี้เป็นวันพุทธที่22สสองพฤศภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันวิสาขาบูชาวันคล้ายวันประสูติตัดสลูและ สเสด็จ ด, ดับคันธะปางนิพพานของพระบรมศาสดาพระอาหารหันตัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ผู้ทรงพระกุณนประเสริฐต่อสัตว์โลกที่นับประมาณไม่ได้เป็นผู้ที่ได้ทรงค้นพบสัจธรรมความจริงของชีวิต ได้พบทางสู่การหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการยืนไหวตายเกิดที่ไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถที่จะหาที่จะเข้าถึงได้นอกจากผู้ที่เป็นผู้ที่ได้บําเพ็ญบารามีที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะสามารถ บรรลุถึงพระนิพพานได้ด้วยตัวเองหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตัวเองนอกจากนั้นแล้วจะไม่มีใครสามารถที่จะทําให้ตัวเองได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จําเป็นที่จะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้ แล้วก็นำเอาความรู้ที่พระองค์ได้ทรงตัดสั้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกจึงจะสามารถปฏิบัติและหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระคุณของพร ะ, พระพเจ้าจึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าพระคุณทั้งหลาย ที่มีอยู่ในโลกนี้วันนี้เราจึงมานำเลิกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องสติเตือนใจสอนใจให้เราได้ดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางทีุ่ที่ถูกต้องที่จะนำพาให้เราได้ไปสู่ ความสุขความเจริญที่แท้จริงที่ถาวรและสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่ถาวรพระพุทธเจ้าออนี้ทรงประสูติเป็นพร阿าโจรสของพระเจ้าแผ่นดินมีพระนามว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ หลังจากที่ได้ประสูติไม่นานพระราชบิดาก็ทรงเชิญพระหัลาจาร์หลายรูปด้วยกันมาทำนายชะตาชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าโตขึ้นแล้วจะได้เป็นอะไรมีโหรลาจาร์ส่วนใหญ่ก็ได้ทำนาย ทำนายเป็นในทิศทางเดียวกันว่ามีความเป็นไปได้อยู่สองทางด้วยกันคื อ, อถ้าอยู่เป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นพระมหาจักรารที่ยิ่งใหญ่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาของโลกเมื่อพระราชาอ่านมีพระโหราจารเพียงอยู่รูปเดียวที่มี การทำนายว่าจะเป็นไปอย่างเดียวท่านั้นก็คือจะต้องออกบวชและได้เป็นพระบรมศาสดาหลังจากที่พระราชบิดาได้ยินคำทำนายของหัราจา์แล้วก็เลยเตรียมการป้องกันไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวช เพราะอยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ควองราชเพื่อจะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของโลกด้วยการห้อมล้อมเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะด้วยความสุขของทางโลกกะระทำทั้งสี่รือลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะสร้างประสาทสามฤ ด, ดูให้เจ้าชายสิทธัตถะได้อยู่พำนัก มีบริษัทธ์บริวารคอยให้ความสุขทุกรูปแบบของทางโลกและทรงห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บหรือคนตายปรากฏในพระราชวางังต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะถูกครอมล้อมด้วยความสุขอย่างเดียวไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะพบเห็นกับความทุกข์ เพราะทรงทราบว่าเหตุที่ทำให้คนไปบวชกันนั้นก็เป็นเพราะว่ามีความทุกข์และไม่สามารถใช้สิ่งต่างๆคือความสุขทั้งโลกมาดับความทุกข์ทางใจได้จึงออกบวชกันนี่คือความพยายามของพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ไม่ให้ไปเห็นความทุกข์ของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่เจ้าชายสิทธัตถะจะขอออกไปเที่ยวภายนอกพระราชวังก็ห้ามไม่ให้ไปแต่เนื่องจากว่าความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี้ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะต้อง รักลอบออกไปดูภายนอกของพระราชวังว่าชีวิตภายนอกของวังเป็นอย่างไรบ้างเมื่อได้ออกไปเที่ยวเดินชมบ้านเมืองที่อยู่หน้าพระราชวังก็ได้ไปเห็นคนชราคนแก่เดินมาหลังค้อมซึ่งไม่เคยเห็นคนอย่างนี้มาก่อนก็ถามมหาด้วยว่า คนนี้ก็เป็นอย่างไรก็ถึงต้องเดินอย่างนี้มหาเล็กก็ตอบว่าเป็นคนเหมือนเรานี่แหละแต่ตอนนี้มีอายุมากแล้วพออายุมากร่างกายก็เริ่มชราเริ่มแก่ลงกําลังวังชาก็ลดน้อยถอยลงไปจึงทําให้ต้องเดินหลังค่อมพระองค์เองก็เช่นกันต่อไปร่างกายของพระ อ, องค์ก็จะต้อง เป็คนคนชราแบบนี้เช่นเดียวกันพอได้ทราบว่าร่างกายของตนจะต้องมีต้องแก่ลงไปก็ทำให้เกิดความตกใจเกิดความุกใจขึ้นมาเพราะไม่เคยคิดไม่เคยเห็นมาก่อนว่าร่างกายจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปก็เดินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก็ไปเห็นคนนอนร้องโอดร้องโอดควนคลางอยู่หน้าบ้าน นอนอยู่บนเตียงบนแค่ก็ถามดูว่าคนคนนี้เขาเป็นอย่างไรเขาถึองต้องถึงต้องร้องอย่างนี้มหาดไว้ก็ตอบว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละเวลาที่ร่างกายเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดอาการเจ็บปวดทรมานจนกระทั่งต้งองร้องโอ้โอดทนคลางออกมา เนื้อแต่ร่างกายของพ่อเองก็เช่นเดียวกันต่อไปก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เช่นกันพอได้ทราบว่าร่างกายของตนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ่งทําให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเพิ่มขึ้นอีกก็ทรงเดินต่อไปก็ไปเห็นขบวนแห่ศพพาคนตายไปทําการชาปน ก, กิจ ก็ถามว่าเขาทําอะไรกันเขากําลังแห่คนนอนนั้นไปทําอะไรก็บอกคนนั้นคนที่นอนอยู่ที่เขาแห่ไปนี้เป็นคนตายแล้วคือคนที่ไม่หายใจร่างกายของพระองค์เองก็ต้องเป็นอย่างนี้ในวันหนึ่งข้างหน้าร่างกายของคนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องเจอกับความตายด้วยกัน พอได้ยินว่าร่างกายของพะ อ, อเองก็จะต้องตายก็ยิ่งทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกก็เลยตัดสินใจเดินกลับพระราชวังระหว่างทางก็ไปเห็นนักบวชก็เลยถามว่าคนคนนี้เขาเป็นใครก็ถึงแต่งกายแบบนี้มาเลยก็บอกว่าเขาเป็นนักบวชเราเป็นคนที่ ไปแสวงหาวิธีดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอพอได้เห็นได้ยินว่ามีผู้ที่สามารถไปหาวิธีดับความทุกข์ใจได้ยามที่เกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายขึ้นมาก็เลยทำให้พระองค์ทรงมีความหวังขึ้นมา หลังจากนั้นพอเสด็จกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในวังความสุขที่เคยได้ตอนก่อนที่ได้ไปเห็นกับเทวทูตทั้งสี่ก็คือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชความรู้สึกที่เคยสนุกสนานกับความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกิริลดโพธิภาพต่างๆนั้นก็ จืดจางหายไปแล้วก็ความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่หายไปความสุขของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้จึงทําให้พระองค์ทรงคิดอยากที่จะออกบวช อยากจะไปสะแสวงหาวิธีการดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็เลยเรอจังหวะจนถึงวันหนึ่งวันที่พระมเหสีได้สงคลอดพระโอรสก็ได้ทราบข่าวพระองค์ก็ทรงอุทานว่าราหุนราหุนก็แปลว่าบ่วงความหมายก็คือว่า ลูกนี่ลูกรัดพระร้นี้เป็นเหมือนบ่วงที่จะรัดใจของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ให้ออกบวชนั่นเองก็ เ, งเลยทรงตัดสินพระไทยว่าจะต้องไปในคืนนั้นแล้วเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถที่จะออกบวชได้อก็เลยตัดสินพระไทยนี้ออกจากวังไปในคืนนั้นโดยไม่ไม่บอกใคร มีมหาเล็กไปส่งที่ชายแดนพ อ, อถึงชายแดนก็ลงจากจากม้าที่ส่งขี่ไปแล้วก็ให้มาเล็กกับม้ากลับวางไปส่วนโองก็ส่งเดินต่อไปเพื่อไปหาสำนักปฏิบัติไปอยู่เป็นนักบวชไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆวิธีรักษากายวาจาใจให้สงบ เพื่อดับความทุกข์ทางใจก็ไปบวชรักษาศีลแล้วไปฝึกสตินั่งสมาธิจนสามารถทําจิตใจให้รวมสงบเข้าสู่ฌานในระดับต่างๆได้เวลาจิตเข้าสู่ความสงบเข้าไปอยู่ในฌานความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดจากกันก็นังรับหายไปชั่วคราว เวลาออกจากสมาธิมาออกจากฌานมาพอไปคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายคิดถึงการพลัดพรากจากกาันความทุกข์ก็กลับมาอีก <Yeah. S 1> พระ อ, องอยากจะให้ความทุกข์นี้หายไปหมดเลย <Yeah. S 1> ก็ทปปรงพยายามศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆพระอาจารย์ต่างๆก็รู้เพียงแต่วิธีดับความทุกข์ ด้วยการเข้าไปในสมาธิทําใจให้สงบเท่านั้นแต่หลังจากออกจากสมาธิมาพอไปคิดหรือไปเห็นเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกาันใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกไม่มีใครรู้วิธีดับความทุกข์เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเมื่อไม่ไม่มีใครสามารถสอนพระ อ, องค์ ให้ดับความทุกข์เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิได้พระองค์ก็เลยต้องไปทรงคนคว้าทดลองปฏิบัติลองผิดลองถูกอยู่จนในที่สุดก็ได้ส่งค้นพบความความทุกข์เหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากตัณหาความอยากเกิดจากการมตัณหาความอยากหาความสุข ผ่านทางตาหูจมูกมิ้นกายต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอาถ้าพอถ้าร่างกายแก่เจ็บหรือตายก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ความทุกข์ก็เลยเกิดเวลาที่เจอกับความแก่ความเจ็บความตาย แล้วก็ส่งค้นพบสาเหตุวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ในใจนี้หายไปได้ด้วยการละความอยากละความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาก็คือการมองเห็นความเป็นจริงของสภาวธรรมคือร่างกาย ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าร่างกายเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวไม่ไม่ถาวรมีเกิดแล้วในที่สุดก็ต้องมีแก่มีเจ็บแล้วมีตายไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี คือดินน้ำลมไฟใจคู่ที่ทุกข์ไปครอบครองไปยึดร่างกายมาเป็นเครื่องมือด้วยด้วยเหตุของความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายเลยต้องไปมีร่างกายไปเกิดไปครอบครองร่างกายแล้วใช้ร่างกายนั้นเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแล้วก็อยากจะ หาความสุขไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ร่างกายที่เป็นเครื่องมือนั้นเป็นของที่ไม่อยู่ไปเรื่อยๆไม่อยู่ไปตลอดไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ไปตลอดต้องมีวันแก่ลงไปมีวันเจ็บไข้ได้ป่วยและมีวันตายพอร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยาก ของใจได้ใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหลังจากที่ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ทุกข์เพราะอยากให้ร่างกายไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นอนัตตาอยากให้ร่างกายอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใจตลอดเวลา แต่ใจก็ไม่สามารถทำได้ใจจึงทุก buttons, เวลาที่ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้าแต่ถ้าอยากจะไม่ทุกข์แต่ถ้ายอมรับความจริงของร่างกายได้ยอมรับว่าอยากยังไงก็ต้องแก่อยู่ดีต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีต้องตายอยู่ดีถ้ายอมรับความจริงได้ใจก็จะไม่ทุกข์เพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนั้นถูกระงับด้วยความยอมจำนนต่อความความเป็นจริงของร่างกายว่าร่างกายเมื่อกิดมาแล้วจำเป็นที่จะต้องแก่ลงไปแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดก็ต้องตายไปอเอออะไรหลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอีกต่อไป พอเมื่อละความอยากที่จะหาความสุขจากรู้เสียงกลิธธ่นรสผลิภัณฑ์ชนิต่างๆได้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขส่งใช้ความการหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยการระงับดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป ความอยากอันดับแรกที่ระงับก็คือความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพานี่ที่เป็นเหตุ ท, ที่ให้ใจต้องกลับมาเวนว่ายตายเกิดในกามะภพมาเกิดเป็นมนุษย์มามีร่างกายที่มีตาหูจมูกเนื้นกายพอละก็กามาตัญหาความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพาได้แล้วใจก็เลยไปเสพความสุขที่เกิดจากความสงบแทน เลยความสุขของรูปฌปานและอารูปฌปานความสุขของรูปฌานกับอารมูปฌานก็เป็นปลายลักเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่ในฌานได้ตลอดเวลาต้องมีการเข้าออกในฌานเวลาเข้าฌานก็มีความสุขเวลาออกจากฌานมาความสุขนั้นก็จะจางหายไปแล้วก็จะทําทให้เกิดความอยาก เข้าไปาเข้าไปในชาญใหม่ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังทำให้จิตจะต้องกลับมาเกิดอยู่แต่ไม่ได้เกิดในกามมาพบไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอยากจะเกิดเป็นเป็นพรหมอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมถ้าอยากจะออกจากการกลับมาเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมก็จะต้องละความอยากเสพรูปประชานหรือ่ารู ป, ประชาน พอละได้ด้วยปัญญาเพราะเห็นว่ารูปประชานหรือรูปประชานก็เป็นไตรลักณ์เป็นทุกข์เพราะว่าเป็นของไม่เที่ยมเป็นของที่ไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงได้ก็เลยตัดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปประชานและอรูปประชานได้พอตัดความอยากจากการที่จะหาความสุขจากรูปรชาและอรู ป, ปรชาได้ใจก็ กายเป็นใจที่สะอาดบริสุดธขึ้นมาใจที่ปราศ จ, จากตัณหาความอยากทั้งสามคือการม า, ารตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอหมดตัณหาใจก็เป็นใจที่สงบใจที่สะอาดบริสุทธก็เป็นใจที่สงบเหตุที่ใจไม่สงบก็เพราะตัณหาความอยากเหล่านี้นั่นเองที่เคยมีในใจพอได้ใช้สติปัญญาพิจารณาและ กำจัดพอเห็นกำจัดความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้ความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจก็หายไปหมดใจก็เลยสงบตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความสงบที่ถาวรเป็นความสงบแ้วเป็นความสุขที่ถาวรเพราะว่าเหตุที่มาทำให้ใจไม่สงบเหตุที่ทำให้ใจทุกข์เปัญหาความอยากทั้งสาม ได้ถูกกำจัดไปด้วยกำลังของสมาธิและปัญญาและศีลที่สนับสนุนสมาธิและปัญญาก็คือเครื่องมือที่จะใช้ในการกำจัดความอยากต่างๆเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีใ น, ในใจก็ต้องใช้การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้อพอสามารถสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้ครบบริบูรณ์ก็สามารถที่จะ กำจัดเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเหตุที่ดึงให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในตายพบอยู่เรื่อยๆได้ใจก็หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างสมบูรณ์นี่คือความสำเร็จของพระพุทธเจ้าในการในการความทําความเพียรพยายาม เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระ อ, องค์หลังจากที่ครั้งแรกที่ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชทำให้ใจของพระ อ, องค์ที่ไม่เคยทุกข์ก็เลยต้องเจอกับความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็เลยต้องทำให้เกิดความขวนขวายขึ้นมาเพราะไม่มีใครอยากที่จะมีความทุกข์กันยอชายศีรษะก็ไม่อยากจะมีความทุกข์ เมื่อมีความทุกข์ก็ต้องดิ้นหาวิธีดับความทุกข์เมื่อทราบว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ก็ต้องไปเป็นนักบวชก็เลยส่งสะละราชสมบัติแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชไปศึกษาจากอาจารย์ต่างๆเพื่อเรียนรู้วิธีดับความทุกข์ซึ่งก็ได้วิธีดับแบบชั่วคราวก็คือการเข้าสมาธิการนั่งสมาธิทาใจให้สงบเวลาใจสงบ ความอยากที่เป็นเหตุของความทุกข์ก็สงบตามไปด้วยเมื่อความอยากสงบตามลงความทุกข์ก็หายไปแต่พอเวลาออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มไปสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆเริ่มคิดปรุงแต่งความอยากก็ตามออกมากับความคิดปรุงแต่งกับความรับรู้เห็นรูปก็เกิดความอยากขึ้นมาเห็นเสียงก็เกิดความอยากขึ้นมาสัมผัสกยบาะไรก็จะเกิดความอยากขึ้นมา <c oughs> พอเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ตามมาหลังจากที่ได้ไปศึกษาก็รู้จักวิธีดับความทุกข์ขั้นต้นด้วยการเข้าสมาธิพอหลังจากนั้นออกจากสมาธิมาความทุกข์ยังไม่หายไปไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้ก็เลยส่งค้นคว้าด้วยพระ อ, องค์เองจนในที่สุดก็ทรงเห็นว่าเวลาออกจากสมาธิมา เวลาใจทุกข์ก็เพราะว่ามีความอยากเกิดขึ้นนั่นเองนะวิธีที่ระดับความอยากก็ต้องเห็นสิ่งที่อยากว่าเป็นทุกข์นั่นเองอยากได้อยากให้ร่างกายอยู่เป็นนานๆก็ต้องเห็นว่าร่างกายมันเป็นของที่อยู่อยู่ไปไม่ได้นา น, านร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจามันเป็นอนัตตามันเป็นสภาวะธรรมที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใคร ไม่มีใครสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะมันพอเกิดไปเกิดความอยากขึ้นมามันก็ได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงปล่อยให้ร่างกายแกร่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปทุกข์ก็จะไม่เกิดนี่คือการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าตัดสรุป อ, อริยสัจสี่ทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากตัณหาความอยาก อยากอยากในในรูปเสียงกลิ่นรสปดตาพะเรียกว่ากามกามะตัณหาแยะทุกข์ที่เกิดจากความอยากมีอยากเป็นอยากเล่าอยากรวยอยากอยู่เป็นนานทุกข์ที่เกิดจากวิภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นต้นความทุกข์เหล่านี้เกิดจากความอยากและวิธีที่จะกําจัดความทุกข์เหล่านี้ ก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้าการจะหยุดความอยากก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาที่จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ด้วยการเห็นว่าความอยากนั้นเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจและสิ่งที่อยากก็ไม่สามารถทำให้ใจสุขไปตลอดได้เป็นเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเพราะทุกสิ่งทุกอยาก่างที่ให้ความสุขกับใจ เป็นอ น, นิจจังเป็นของไม่ถาวรไม่ยั่งยืนเป็นของที่มีเกิดแล้วก็จะต้องมีดับไปนั่นเองอันนี้คือการตัดสรตวการหลุดพ้นจากความทุกข์ <c oughs> การเข้าถึงพระนิพพานของของพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนหกรงตัดสรตวหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยทรงพิจารณาว่า ควรจะทำอย่างไรกับความรู้ที่ได้ทรงคนพบมาเบื้องต้นก็ส่งไม่มีความอยากไม่มีความโขนขวายที่อยากจะนําเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ <c oughs> เพราะทรงเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสาหรับคนทั่วไปที่จะปฏิบัติตามได้เพราะคนทั่วไปที่มาเกิดในโลกนี้ก็เกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขจากโลกธระทำทั้งสี่ ก็คือจากราบยศสารเสรินจากรูปเสียงกลิ่นร้อยโผฏฐพชนิดต่างๆนั่นเองการที่จะไปสอนให้เขาระการหาความสุขเหล่านี้แล้วมาอยู่แบบนักบวชมาอยู่เพื่อมาเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญานั้นย่อมเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยในเบื้องต้นจึงทรงมีความ ท, อท้อทัยไม่อยากที่จะ ที่จะเอาความรู้สิ่งที่ได้ทรงตัดสร้นนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลก mm hmm. แต่ต่อมาก็มีท้ามหาพรหมมาได้อาราธนาขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนนี้ก็จะไม่มีสัตว์โลกตัวใดเลยที่จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์อย่างพ่อองค์ได้เลย ขอให้พระ อ, องค์ทรงโปรดมีความเมตตาต่อสัตว์โลกด้วยเถิดขอให้ทรงพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเถิดพระ อ, องค์ก็เลยทรงพิจารณาก็สามารถแยกแยะเห็นสัตว์โลกนี้แบ่งเป็นสี่จำพวกได้เปรียบเทียบเหมือนกับบัวสี่เหล่าบัวสี่เหล่านี้ก็มีบัวตั้งแต่บัวเหนือน้ําขึ้นมาพอได้สัมผัสกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นมาแล้วก็บัว กลุ่มที่สองก็บัวเปลี่มน้้ำที่ยังต้องรอเวลาให้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำก่อนเมื่อแล้วพอได้สัมผัสกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็จะบานต่อไปได้ส่วนบัวกลุ่มที่สก็คือบัวที่อยู่กลางน้ำที่จะต้องใช้เวลายาวหน่อยกว่าที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้า แ, และบานได้แล้วก็บัวกลุ่มที่สบัวที่อยู่กับโคลนตม ที่ส่วนใหญ่จะกลายเป็นอาหารของปูและปลาไปจะไม่สามารถที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อให้บานเพื่อให้บานออกมาได้พระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบบัวสีแล้วกับคนสี่จำพวกที่จะสามารถรับแสงสว่างแห่งธรรมของพระ อ, องค์ได้บัวที่กลุ่มแรกคือพวกที่อยู่เหนือน้ำบัวเหนือน้ำก็คือพวกที่มีความพร้อมที่จะรับ แสงสว่างแห่งธรรมของพระ อ, องค์คือจาเป็นจะต้องมีศสีลงที่บริสุทธิ์และมีสมาธิมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบมีอุเบกขาที่จะสามารถต้านความอยากหรือหยุดความอยากต่างๆได้พอได้ยินได้พอได้ฟังธรรมได้ฟังเหตุของทุกขและเหตุวิธีการดับทุกข์ คือได้ฟังได้เข้าใจถึงหลักของอริยสัจสี่ก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ทันทีสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทันทีครั้งแรกๆผู้เจ้าจะทรงแสดงธรรมโปรดพวกนักบวชก่อนพวกที่มีศีลที่บอยสุดมีสมาธิมีฌานมีจิตที่นิ่งสงบพอทรงแสดงธรรมปับ๊บพอหลังจากได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากขึ้นมาได้เลย พอใจเขามีความพร้อมเขาสิ่งที่เขาขาดก็คือปัญญามีศีลแล้วมีสมาธิแล้วแต่ขาดปัญญาก็คืออริยสัจสีและไตร ล, ลักษณ์อันนี้จังทุกขังอละน้าตาพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ให้เขาได้เข้าใจถึงหลักของอริยรรสัจสีของหลักไตร ล, ลักษณ์เขาก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้ทันทีในขณะที่ฟังธรรมเลยนั่นเพราะว่าเขามีมี คุณธรรมที่รองรับปัญญาของพระพุทธเจ้าก็คือมีศีลที่บริสุทธิ์มีใจที่สงบกายวาจาใจที่สงบพอได้สัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรมก็ใจก็บานขึ้นมาทันทีบรรลุขึ้นมาทันทีอันนี้คือกลุ่มแรกที่พระุทธเจ้าทรงมุ่งไปโปรดต่อมาก็ไปโปรดพวกที่มีศีลที่บริสุทธิ์แต่ยังไม่มีสมาธิก็พวกที่เป็นนักบวช ต่ยังกำลังฝึกหัดสมาธิอยู่ก็จะ ส, สอนวิธีฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบแล้วหลังจากที่เขาได้สมาธิแล้วก็สอนให้เขาเจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษณในสภาวะธรรมทั้งปวงให้เห็นอริยสัจสี่ว่าทุกข์ของใจเกิดจากความอยากพวกนี้ก็สามารถที่จะบรรลุได้ตามลำดับต่อไปส่วนพวกที่สาที่ทรงไปโปรดต่อก็คือ พวกที่ยังไม่มีศีลกูยังไม่ได้เป็นนักบวชเป็นคารวาะผู้ครองเรือนแต่มีศรัทธามีความเชื่อในบุญในบาปใ น, ในเรื่องของนรกสวรรค์ในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่แบบผู้ครองเรือนทำบุญทำทานไปตามกำลังรักษาศีลไปตามกำลังพวกนี้พระองค์ก็จะทรงมาโปรดเป็นพวกที่สามส่วนพวกที่สี่ก็เป็นพวกที่ไม่มี ความศรัท ธ, ธาความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นพวกที่คิดว่าตายแล้วก็สูญไม่มีอะไรตามมาต่อไปไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้ก็จะไม่สนใจที่จะมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมุ่งไปแต่การหาราบยศสารเสิญสุขเพื่อให ใ ห, ให้ให้มีความสุขไปในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นและคิดว่าเมื่อตายไปแล้วก็จบไม่มีอะไรตามมาต่อไปพวกนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งไม่ไ ม, ไ, ไม่ไปไม่ไปสอนให้เสียเวลานี่คือการแยกแยะบุคคลสี่ประเภทที่เปรียบเหมือนบัวสี่เหล่าของพระพุทธเจ้าของเจ้าก็ท่งดำเนิน ทํานั้นทหน้าที่เพยแผ่ธรรมะให้สั่งสอนให้กับสารโลกทุกวันมีพุทธกิจอยู่ห้าประการด้วยกันที่พระองค์ทร ง, งบำเพ็ญเป็นประจำคือยามบ่ายก็จะทรงโปรดแสดงธรรมสั่งสอนคารวะญาติโยมพวกคลองเรือนยามค่ำก็จะสั่งสอนพวกนักบวชภิกษุภิกษุณีสั ม, มนเนสสั ม, มนเนรียามเด็กก็จะสั่งสอนพวกเทวดา ระายามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาศก็ <c oughs> จะสรงเรีงยานดูว่าวันนี้จะไปโปรดใครสอนธรรมะใครเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าบุคคลนั้นอาจจะพร้อมที่จะบรรลุธรรมและก็อาจจะมีเหตุที่จะทำให้ต้องเสียชีวิตไปในเวลาในระยะเวลาอันใกล้องก็จะส่งมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นในวันนั้นต่อไปแล้วก็ส่งออกเสด็จ บ, บินทะบาศ นี่คือภารกิจ5ประการของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติทุกวันจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของของชีวิตวันที่พระ อ, องค์ทรงสเสด็จดับขันธปานิพานธ์ปล่อยวางขันธ์คือร่างกายที่ใจได้มา ย, ยึดมาติดมาอาศัยในเบื้องต้นก็อาศัยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางโลกก็ทำ แต่พอหลังจากตัดสโลแล้วก็เลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากโลกธรรมคือจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงก ล, ลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่เอาใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมต่อไปจนในที่สุดร่างกายก็ต้องถึงแก่ความตายไปอันนี้คือเรื่องของพระพุทธเจ้าของพวกเราที่พวกเราถือว่า ถ้ได้มาเกิดได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้ก็ถือว่าเราได้เจอกับพระพุทธเจ้าโดยตรงถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วก็ตามแต่ตอนก่อนที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปพระองค์ก็ทรงตัดไว้ว่าธรรมวินัยที่เราได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่จะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากาศาสดา หมายความว่าพระธรรมคาสอนที่ได้มีการจดจำ <c oughs> และได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าของพวกเราถ้าเราอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าให้เราเข้าหาด้วยการศึกษาพระธรรมคาสั่งสอนที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนมาตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันหลังจากวันที่ตัดสรต สองเดือนส อ, สองเดือนหลังจากตัดสรุว ค, คือวันเพ็ญเดือน8วันที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันแรกที่พระ อ, องค์ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สาโลกด้วยการแสดงพระธรรมจักกับประวัตินสัสสุแสดงเรื่องอริยสัจ ส, สีและเรื่องมรรคแปดทำให้ผู้ฟังหนึ่งท่านคือพระอาญญานโกนทัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคล คนแรกของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ทําให้เกิดมีพระรัตนตรัยครบองค์มีพระพุทธมีพระธรรมและมีพระสงฆ์<ม>ตราบใดถ้าโลกนี้ยังมีพระพระตัตนตรัยอยู่จากนั้น<ม>เราก็ยังสามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ที่ความศรัทธาความเชื่อเท่านั้นว่าเรามีความศรัทธาความเชื่อมากน้อยเพียงไร ถ้ามีความศรัทธาความเชื่อมากเราก็จะขวนขวายมากปฏิบัติมากถ้ามีการขวนขวายมากปฏิบัติมากการหลุดพ้นก็จะเร็วกว่าถ้ากว่าการที่มีความขวนขวายน้อยและการขวนขวายมากน้อยก็อยู่ที่การได้ศึกษามากน้อยนั่นเองถ้าได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆอยู่เรื่อย ก็จะทำให้เกิดมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับเมื่อมีศรัทธาก็จะมีกำลังที่อยากจะวขวนขวายอยากที่จะปฏิบัติตามคำสอนทรงสอนให้ให้รักษาศีลให้ไปปฏิบัติธรรมก็จะจะถือศีลศีลที่นี่หมายถึงศีลของนักบวชรือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปการที่จะปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดสมาธิได้จำเป็นที่จะต้องมีศีลในระดับศีลแปขึ้นไปเพื่อที่จะได้กาจัดอุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นในการทำทาจิตใจให้สงบก็คือนิวรณ์เช่นกามาฉันทะความยินดีการในในการหาความสุขของรูปเสียงกิรลดโปรดเถพะจำเป็นที่จะต้องระงับต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายการถือศีลแปนี้ก็เป็นการ สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปเสดไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ให้เปลี่ยนวิธีมาหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบถ้ารักษาศินหานี้ศินหายาจะไม่มีกำลังที่จะไปห้ามกามาฉันทาได้เพราะสินห้าไม่ได้ห้ามศินห้าเพียแต่ห้ามไม่ให้กระทาบาศ ไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติประเพณีไม่ให้พูดปดไม่ให้ดื่มของมลเมาแต่ยังสามารถหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดได้เช่นจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ยังร่วมหลับนอนกันได้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่กรอของตนได้หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากได้ อยากจะรับประทานมากน้อยเท่าไหร่เมื่อไหร่เวลาใดก็สามารถรับประทานได้อยากจะหาความสุขจากการดูมหัศลศพบันเทิงต่างๆก็สามารถทำได้อยากจะหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายมากน้อยเพียงไรก็สามารถทำได้อยากจะนอนให้มากน้อยเพียงไรก็สามารถนอนได้ห้าไม่ได้ห้ามเมื่อไม่ห้ามถ้าเราไปทากิจกรรมเหล่านี้ เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนั่นเองถ้าเราต้องการที่จะได้สมาธิได้ความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธิเราก็จำเป็นที่จะต้องละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการมาถือศีลแปถ้าเราถือศีลแปแล้วศีลข้อที่สามที่เป็นไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่น ให้นร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนได้ก็จะกลายเป็นอบรามจริยาก็คือไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครเลยไม่ให้ใช้เวลาไปกับการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันให้เอาเวลาไปให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิแทนการรับประทานอาหารก็ไม่ให้รับประทานมากจนเกินไปให้รับประทานพอเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ปวยไม่หิว ก็พอก็คือไม่ให้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วร่างกายจะได้รับประทานอาหารครั้งหนึ่งสองครั้งต่อวันก็เพียงพอต่อการระ ง, งับความหิวของร่างกายและป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้อันนี้ก็เป็นศีลข้อหกสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะหาเวลามาฝึกสตินั่งสมาธิจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลกกับเรื่องของการคอยหาอาหารมารับประทาน ตามความอยากอยู่เรื่อยๆพอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องอาหารอยากจะรับประทานอาหารก็ตัดไปก็ห้ามไปเพราะถ้าถือศีลแปดแล้วศีลก็หกนี้ก็ต้องไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปก็จะมีเวลาว่างให้กับการปฏิบัติสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบแล้วข้อเจก็คือไม่ให้หาความสุขจากการดูมหรสย์บันเทิงต่างๆ ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายก็จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นให้กับการยาระสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบหาความสุขจากการทำใจให้สงบแทนแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปด้วยการไม่นอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆเขาเรียกว่าเตียงสำรานอนแล้วจะมีความสุขพอร่างกายได้พักผ่อนลําอนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็ยังจะไม่อยากจะลุก จะอยากจะข อ, อนอนต่ออีกก็ mm hmm. อ, อย่าทำให้ไม่มีทาให้เสียเวลามีค่าสาหรับการปฏิบัติไปถ้าบุญถ้านอนมากเกินไปถ้าไม่อยากจะให้นอนมากเกินไปก็นอนบนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งแข็งหรือนอนบนนอนกับพื้นปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสือ่อก็พอ mm hmm. ถ้าถ้านอนบนพื้นแข็งแข็งเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมา ใจก็จะไม่อาจจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายมันแข็งพื้นมันแข็งก็จะลุกขึ้นมาเดินจงกรมหรือมานั่งสมาธิแทนได้อันนี้คือสิ่งที่จะเป็นของผู้ปฏิบัติที่ต้องการที่จะสร้าง ส, สร้างสมาธิสร้างปัญญาเบื้องต้นจะต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนก่อนถ้าไม่มีศีลแล้วการที่จะไปสร้างสมาธินี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยต้องมีศีแลแขึ้นไป เพื่อถ้ามีสินแปก็จะมีเวลาที่จะให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิถ้าไม่ไม่ถ้าถือสินห้าก็มักจะถูกอำนาจของการมฉันทะความอยากหาความสุขดึงไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนดึงไปทำกิจกรรมของของการแทนการหาความสุขจากการเสื ร, รูปบเสียงกลิ่นลดผลทพธาแทน เวลาที่จะมาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิก็จะมีไม่มากมีนิดเดียวผลจึงมกักเไม่เกิดจากผู้ที่ใช้ศีลห้าและฝึกสตินั่งสมาธิเพราะจะฝึกได้แค่ครั้ ง, งละครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นวันนึงอาจจะนั่งสมาธิได้เพียงครั้งสองครั้งก่อนนอนและหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วเท่านั้นเองนอานั้นก็จะเอาเวลาให้ไปกับการแสวงหาความสุข ตามตาหูจมูกเลี้ยกายไปอยู่ทั้งวันถ้าอยากจะมีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบและมีความสุขจากความสงบของใจจึงจําเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีลแปดขึ้นไปศีล8ดศีลสิ 8, ส 10, หรือศีลสองรยเจ็เป็นต้นอันนี้เป็นศีลที่จะสนับสนุนการเจริญสติการเจริญสมาธิเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบ เพร่อจะได้จิตจะได้มีพลังมีกำลังไว้ต่อสู้กับกาหาความอยากที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีโอเบขาความอยากจะเข้ามารบกวนใจอยู่เรื่อยสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้อยู่เรื่อยถึงแม้จะมีปัญญาถึงนั้จะรู้ว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง เพราะว่าเราไม่สามารถทำให้มันเที่ยงได้ก็ตามก็ยังจะไม่สามารถหากหากความอยากที่จะให้ไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจในภายหลังเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปสิ่งที่ชอบไปนี่สิ่งคือถ้าถ้าต้องการที่จะตัดความอยากกำจัดความทุกข์ทางใจในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติจาเป็นที่จะต้อง หัดรักษาศีลแปดไปพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาวันธรรมสวัสดิเนี่ยเป็นวันที่ทรงสอนให้ชาวพุทธเราหยุดทําภารกิจการงานหนึ่งวันปกติเราจะต้องไปทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองแล้วพอได้เงินทองมาเราก็ใช้เงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันทีนี้ท่านบอกว่าควรจะหาวันหนึ่งเป็นวันที่เราไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราไม่ไปทำงานทำการพักผ่อยเอาเวลาหยุดทำงานนี้มาให้กับการสร้างพลังของธรรมให้เกิดขึ้นคือส ร, ส, สร้างสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะเราต้องมีพลังธรรมคือศีลสมาธิปัญญาในการที่เราจะมากำจัดต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากต่างๆยิงสองบัญญัติบรรพะขึ้นมาให พุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิและการเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติที่จะต้องการปฏิบัติเพื่อเพื่อกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจนั้นจาเป็นจะต้องมีวันเวลาของการปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติแบบปกติคือทำงานไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติทำไปด้วยนี่มันจะมีเวลาน้อยมากเพราะว่าเวลาไปทำงานก็ต้องต้อง ใ, ใช้เวลาหลายชั่วโมงด้วยกันจะมีเวลาก็เวลาช่วงกลับบ้านช่วงกลับบ้านก็ต้องมีการรับประทานอาหารอาบน้หอาบท่าทำอะไรอีกก็่าจะมีเวลาให้กับการปฏิบัตินั่งสมาธิได้ก็ช่วงก่อนนอนบางทีพอถึงช่วงก่อนนอนก็เหนื่อยแล้วก็ ม่วงเสียแล้วนั่งก็นั่งสับประโนั่งแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาเดินช้าขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะนั่งบางทีพอนั่งแล้วมันก็กลับกลอยควาง ม, ม่วงขึ้นมาใหม่ได้จึงเป็นการยากของผู้ที่ยังทำงานทําการยังทำกิจกรรมทางกา ร, รมกุลห้าอยู่นี้ยากต่อการที่จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าอยากจะ ทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้จึงจาเป็นจะต้องมีเวลาพิเศษก็คือวันพระนี่เป็นเวลาพิเศษวันที่เราจะยุดหยุดการทำงานทำการต่างๆอยู่การแ ส, ส, สวงหาความสุขจากลูกเสียงกิ่นลดผลสะพัดอยู่การแสวงหาความสุขจากลาบยศสารเสริญตัวที่จะได้เอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิด้วยการรักษาสิแปลก นอกจากการรักษาศีลแปดแล้วก็จําเป็นที่จะต้องไปมีสถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติถ้าปฏิบัติในสถานที่ที่มีบุคคลที่ไม่รักษาศีลยังเป็นไม่ได้รักษาศีลแปดยังหาความสุขทางการการบุญุณห้าอยู่เช่นถ้าปฏิบัติที่บ้านแล้วมีคนที่บ้านเขายังกินอาหารเย็นอยู่ยังดูหนังฟังเพลงอยู่มันก็จะทําให้ยากต่อการที่จะ จเจริสตินั่งสมาธิได้พระเวลามีเสียงเสียงเพลงหรือมีกิ่นของอาหารโชยมานี่มันก็อาจจะมาทําให้เกิดตัณหาความอยากที่จะไปฟังเพลงดูภาพยนตร์หรือไปกินอาหารได้จึงควรที่จะไปหาสถานที่ที่ห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพชชนิดต่างๆที่เราเรียกให้ไปปลีกวิเวกไปหาสถานที่สงบสงัด ห่างไกลจากแสงสีเส so, oh. ียงเสียงที่จะมารบกวนใจก็เช่นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆวัดป่าวัดแถวนี้จะเป็นวัดที่เน้นในการในการในความสงบในการปดสศจากการมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นโน้นโพธพะะถ้าไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นการรักษาสี่งก็จะง่ายเพราะไม่มีใครกินข้าวเย็นทุกคนก็ ปฏิบัติธรรมด้วยกันทุกคนก็เจริญสตินั่งสมาธิ่างคนก็ต่างอยู่กันที่พักของตนถึงเวลาก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆตามตามกำลังการปฏิบัติเพื่อที่จะให้ความเพื่อที่จะให้ผลนั้นจำเป็นนอกจากการมีมีศีลแต่แล้วมีการสืบสิริแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมีการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเพราะว่าจิตนี้ทำงานตลอดเวลาพอลืมตาขึ้นมาความคิดก็จะคิดปรุงแต่งคิดถึงเรื่องนั้ น, น, นคิดถึงเรื่อง น, นี้และเวลาคิดแล้วบางทีก็จะเกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงรูปก็อยากจะไปดูรูปคิดถึงเสียงก็อยากจะไปดูฟังเสียงเป็นต้นก็ต้องคอยควบคุมความคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย พอลืมตาขึ้นมาก็ต้องใช้สติกำกับใจควบคุมใจไม่ให้ใจคิ ด, ดเรื่อยเปื่อยไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะคิดแล้วมันจะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาแล้วเวลาไปทำสมาธิใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบแล้วจะรู้สึกอดอัดจะรู้สึกนั่งต่อไปไม่ได้เพราะมันรู้สึกอืดอัดใจเพราะมีความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองก็เลยจาเป็น ต้องเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาการเจริญสติก็ต้องใช้กรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะยึดจิตใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆกรรมฐานก็มีหลายหลายชนิดด้วยกันชนิดที่เราใช้กันทั่วไปก็คือพุทธานุสติการาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติของเราให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ ด้วยการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธไปพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็พุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปใจเราก็จะไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆความคิดยังอาจจะมีอยู่ยังอาจจะมาชวนเราไปคิดเรื่องนั้นเร่องนี้อยู่แต่ถ้าเราบอกว่าไม่ไปเราจะอยู่กับพุทโธพุทโธต่อไปความคิดนั้นก็จะค่อยเบาไปบางไปแล้วก็จะหายไปได้ในที่สุด ถ้าเราไม่ถนัดเหมือนการใช้คําบริกรรมพุโทโธก็มีวิธีเจริญสติอีกแบบหนึง่งก็คือการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็ได้เรียกว่ากายกตาสติให้เรามีสติระ้วลิกรู้เข้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายในทุกิริยาบุตรเวลาร่างกายยืนก็รู้ว่ากําลังยืนเวลราร่างกายเดินก็รู้ว่ากําลังเดินเดินไปกับร่างกายยืนไปกับร่างกาย ทำกิจกรรมไปกับร่างกายร่างกายกำอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันใจก็ทำไปกับร่างกายอยู่กับร่างกายไปในทุกปริ่อบทแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารไม่ว่าร่างกายทำอะไรให้เกาะติดอยู่กับร่างกายให้เป็นคู่กับร่างกายไปตลอดเวลาถ้ามีการยึดติดร่างกายเป็นที่ตั้งสติแล้วความคิดต่างๆก็จะไม่สามารถดึงใจให้ไปคิดตามได้ ใจก็จะว่างใจก็จะเบ า, ใ จ, จเบาใจเย็นเวลามานั่งสมาธิใจก็จะสงบง่ายถ้ามามีสติต่อเ น, นื่องมาตลอดเวลารั้งแต่ก่อนเรามามานั่งสมาธิพอเรามานั่งสมาธิครับถ้าเราใช้คําบาลีคำพุทโธเราก็พุโทโธต่อไปใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไปใช้ลมหายใจด้วยไม่จําเป็นถ้าเรามีสติอยู่กับพุโทโธมาตลอดเวลาใช้แต่พุโทโธคําเดียวก็พอถ้าเราใช้ร่างกาย เป็นที่ตั้งของสติพอเรามานั่งเราก็เปลี่ยนจากการดูร่างกายมาดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกแทนนี่เรียกว่าอาณาปานาสติมีสติแล้วเลึกรู้อยู่กับการหายใจเข้าออกถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิไม่นานห้านาทีสิบนาทีจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอจิตเข้าสู่ความสงบก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เป็นความสุขที่จะทำให้เรานี้สามารถที่จะเลิกแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดภพะได้อันนี้เป็นขั้นของสมาธิเวลาเราออกจากสมาธิมาถ้าเราใจเรายังมีความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภพะอยู่เราก็ต้องใช้ปัญญามาสกัดความอยากด้วยการพิจารณาใจว่าสิ่งที่ ใจอยากไปหาความสุขคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพานี้เป็นความสุขชั่วคราวเพราะรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบก็เกิดความสุขบางทีก็ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์จากการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็อย่าไปเสมันต้องหยุดความอยากมัน ให้รู้ว่าการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นตอนี้เท่ากับการไปหาความทุกข์เพราะมาเพราะว่ามันจะต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนเพราะรูปเสียงกลิ่นรสมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจกลายเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจขึ้นมาได้พอมันเป็นไปมันก็จะทําให้ใจเราทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากหยุดความอยากด้วยปัญญาที่เห็นว่า สิ่งที่ความอยากต้องการนี้มันเป็นทุกข์พอรู้ว่าเป็นทุกข์ความอยากมันก็จะหายไปทันทีอันนี้คือการใช้ปัญญาในการกําจัดความอยากหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าสามารถใช้ปัญญาทุกครั้งที่ออกจากสมาธิมาหยุดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาได้ต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดเมื่อใจเมื่อความอยากหายไปหมด ใจก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความเย็นความสุขความสบายไปตลอดเวลาความหิวความอะไรต่างๆมันหายไปความหิวมันเกิดจากความอยากพอไม่มีความอยากความอิ่มใจก็ปรากฏขึ้นมาความพอก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อมีความพอแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไปอยู่อย่างสบายไปตลอดชีวิตไปตลอดอนันตกายเพราะใจก็จะไม่ไปแสวงหาอะไร อีกต่อไปจะไม่ไปหาราบยศเฉลเสริญสุขในภพหน้าชาติหน้าอีกต่อไปเพราะใจมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากโลกธรรมทั้งปวงนี่ใจก็จะไม่ไปเกิดจะไม่มีร่างกายกต่อไปจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอนี่แหละคือผลของการที่ผลของการตัดสลุของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสลุแล้วก็นําเอามาเผยแผ่ถังสอนให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ที่สนใจนํามาไปปฏิบัติได้ก็สามารถหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลังจากหลุดพ้นแล้วก็ทําหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้านําเอาพระธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้อีกต่ออีกทอดหนึ่งก็มีการถ่ายทอดธรรมมาตั้งแต่ยุคของพระพุทธเจ้ามาจนถึงยุคปัจจุบันพระพุทธศาสนาจึงยังอยู่กับพวกเราเป็นที่พึ่งของพวกเราต่อไปได้ เพราะว่าชาวพุทธเรายัางไม่ละเลยหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธก็คือศึกษาพระธรรมคําคสอนศึกษาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุธร ร, รมเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็เอาธรรมที่ได้บรรลุมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไปนี่คือเหตุที่ทําให้ศาสนาของของของพวกเรานี้อยู่มาได้จนถึงบัดนี้ เราจะอยู่ทำประโยชน์ให้กับสันโลกต่อไปได้อีกนานถ้าชาวพุทธเราไม่ละเว้นหน้าที่ที่พระเจ้าได้ส่งมอบหมายการปฏิบัติตามหน้าที่ที่พระเจ้าส่งมอบหมายนี่แหละคือการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าเช่นในวันนี้เราเราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าเราอยากจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูชาผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั่นแหละคือผู้บูชาเราตถาคตอย่างนั้นในวันวิสาขาบูชานี้ก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้มาปฏบิบัติบูชากันเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราเพื่อพวกเราในวันหนึ่งจะได้หลุดพ้นจากการทุกข์หมิ่นพระพุทธเจ้าต่อไปการแสดงสําหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวาหาปุราปรลิปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปรปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยถามณิโชติอราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัศตุมาเตภวตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีฤทสานิจจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวาธานติ อาอยุวันโนสุขังภาลังช่วงต่อีปปกติก็เป็นช่วงถามตอบคำถามแต่วันนี้เราเวลาค่อนข้างหน็อาจจะถามตอบได้เฉพาะคนที่ส่งกระดาษเข้ามานั้นก็ต้องขอให้เราในโอกาสหน้าวันนี้มีผู้ติด ต, ตามท้งหมดทัาน วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 710ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์136ท่าน YouTube อกเร์28ท่านวิทย์ออนไลน์8ท่าน Clubhouse 8ท่านนาควติ420ท่านรวมทั้งหมด 1,310 ท่นานครับอาจารย์ มีคําถามจากทางหน้ากุตินะคะคําถามที่หนึ่งค่ะผมกลัวผีมากควรทําอย่างไรดีครับก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามีสองมีผีมีอยู่สองประเภทด้วยกันผีจริงกับผีไม่จริงผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงเข้าในั้นผีจริงก็คือพวกเราเนี่ยเวลาตายไปเราก็เป็นดวงวิญญาณกันเป็นผีกันแล้วเราก็ไปอยู่ตามภพภูมิของเราไปเป็นเท่ไปเป็นอะไรก็ ไปตามบุญตามบา่วนผีหลอกนี้ก็คือใจเราตั้งแต่งขึ้นมาเวลาไปอยู่ที่ไหนเงียบๆหน่อยมืดๆหน่อยริ่มคิดถึงผีขึ้นมาบางที <c oughs> ผีมันก็เลยมาหลอกเราเฉ <c oughs> นั้นผีที่หลอกเราไม่จริงไม่ต้องกลัวหรอกถ้าอยากให้มันหายพอมันมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าพ <c oughs> ังหนึ่งมันก็หาย คำถามจากทางนักกุฏินะคะมีทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกถูกเจ้านายเพื่อนร่วมงานตําหนิด่าว่าเป็นประจําควรวางใจอย่างไรครับก็เหมือนกับเราอยู่ในโลกนี้พระเจ้าบอกต้องมีทั้งสรรเสริญมีทั้งหนิงทาเป็นธรรมดาเหมือนกับมีฝนตกแดดออกเรานี้ไม่พ้นหรอกถ้าอยู่ในโลกนี้จะต้องเจอฝนบ้างเจอแดดบ้างเราก็ทําใจเฉยๆไปทั่านเขาจะด่าเขาจะชมว่าให้ทําใจเฉยๆว่าแล้วก็จะผ่านไป ข้อสองค่ะติดดูหนังไม่ไหวพระสวดมนต์ภาวนาต้องแก้ตัวอย่างไรครับอปอยูวัดสอยูวัข้อสามค่ะนั่งสมาธิชอบหลับควรแก้อย่างไรครับยกขึ้นมาเดินแทนถ้าอยากจะไม่หลับก็อาจจะต้องลดการกินอาหารลงอยากกินอาหารเย็นกินแค่เที่ยงวันก็พอ จากทางหน้ากุฏิคะ่ะการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการทําสมาธิคือได้ผลกับตนเองแล้วทําไมถึงได้บุญเจ้าคะก็คือความสุขใจบุญคือความสุขใจทําทานเราก็ได้ความสุขใจรักษาศีลเราก็ได้ความสุขใจนั่งสมาธิเราก็ได้ความสุขใจตรงวางได้เราก็ได้ความสุขใจเหล่านี้เป็นบุญทั้งนั้น มีคำถามฝากถามค่ะสั่งยศสิทธิ์ข้อสองว่าไม่ลังเลสงสัยในที่นี้ถ้าไหว้พระพรมหรือเจ้าที่เจ้าทางหรือไหว้พระลักษมีแบบนี้ถือว่าไม่ได้เคาะไม่ได้ข้อนี้หรือว่าผิดข้อนี้ไหมคะก็ทางศาสนาเราก็ไม่ให้ไม่ห้ามให้ไปไหว้ไหว้สิ่งอื่นๆไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ครูบาอาจารย์นี่ก็ไหว้ได้ถ้าเราเคารพนับถือใครล้วก็ไปไหว้เขาได้ แต่สิ่งที่เราไม่สงสัยเลยก็คือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผ้ า, าจารย์ที่แท้จริงของเราถ้าใครสอนอะไรที่ขัดกับคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่เชื่อท่านหมดแล้วเอค่ะที่เขียนเข้ามาได้ไหถ้าหมดแล้วก็ขอเอายุติกันไปเพียงแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยมาว่ากันหม่ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจพิจารณาไปปฏิบัต